ถ้าไม่เข้าใจขอให้ลองนึกถึงประสบการณ์นั่งสมาธิที่เริ่มคล้อยสู่ความม่วงจะมีลักษณะหนึ่งครื่นๆกลางๆ ร, ร, ร, ร, ระหว่างหลับไม่หลับหลับไม่หลับแแปลกรู้ ต, ตัวตื่นอยู่หน้าอาจงุบลงและเงยขึ้นหลังอาจบัดเดียวค่อมบัดเดียวยืดตรง สังเกตลักษณะความรู้ในใจที่เกิดจากการกําหนดจิตณ์เวลานั้นรู้อย่างไรก็ช่างมีลักษณะมัวซัวอธิบายยากอย่างไรก็ตามขอให้ใส่ใจสังเกตเข้าไปตรงๆจะเท่ากับเปลี่ยนสิ่งครอบนาจิตให้กลายเป็นสิ่งที่ถูกรู้จะมีตัวตื่นขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดมหลุดจากความครอบนาของตัวง่วง ก็จะปลอดโปร่งขึ้นแล้วก็สามารถภาวนาต่อได้ด้วยความรู้ตัวกว่าเดิมหรือหากยังไม่เข้าใจอีกก็ให้ลองดูลักษณะตัวง่วงอย่างตรงไปตรงมาจะเห็นลักษณะกดน่วงเหมือนมีน้ำหนักทับจิตให้จมอยู่สู่ความหลับหากลักษณะทวงหนักนั้นถูกรู้ก็แสดงว่าไม่เที่ยงออกไปให้เห็นตามหลัก การภาวนาที่ว่าสิ่งใดถูกรู้สิ่งนั้นย่อนแสดงอนิจจ์กล่าวคือน้ำหนักกดดันให้หลับจะมีความคลายออกนิดๆไม่ใช่กดหนักสม่ำเสมอแต่พอคลายแล้วก็อาจจะกลับกดหนักมัวมลลงอีกและคลายตัวได้เป็นเบาใสได้อีสรับกันไปสรับกันมากระทั่งถึงจุดหนึ่ง ถ้าหากสติยังทำงานไม่ลดละตัวเบาใสาจะเริ่มชนะตัวหนักทึบกระทั่งที่สุดจิตสลัดหลุดจากการง่วงได้ง่ายอย่างเด็ดขาดนี่เรียกว่าเป็นการรู้ความง่วงโดยความเป็นอนิจจังแต่หากทำแล้วแก้ความง่วงเหงาซึมเศร้าไม่สำเร็จก็ลองพุโทโธบายข้อต่อไป ให้เธอตรึกตรองพิจารณาถึงธรรมะตามที่ได้สดับแล้วได้เรียนมาแล้วด้วยใจข้อนี้เป็นเหตุให้เธอละความง่วงได้นึกถึงข้อธรรมที่ได้เคยได้ยินได้ฟังหรือเคยได้อ่านแล้วเกิดความเลื่อมใส ย, ยินดีในธรรมนั้นๆเช่นพระพุทธเจ้าตั้งคำถามแก่ภิกษุว่าเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายตอบว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะ พระองค์ตรัสถามต่อไปว่าสิ่งใดไม่เที่ยนสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขภิกษุทั้งหลายตอบว่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะพระองค์ตรัสถามต่อไปว่าสิ่งใดเป็นทุกข์ควรตามเห็นหรือไม่ว่านั้นเป็นตัวตนภิกษุทั้งหลายตอบว่าไม่ควรพระเจ้าค่ะหลายคนอ่านพระสูตรทำนองนี้แล้วบังเกิดปิติอันยิ่ง ฉะนั้นที่ง่วงก็อาจจะหายง่วงเสียได้เพียงเพราะทบทวนในใจอยู่เท่านี้พระพุทธพจน์ที่ทำให้เกิดความปรีดาปราโมทและนึกอยากตั้งหลักเริ่มฝ่ายใจตั้งสติตามพิจารณาธรรมเพื่อความหลุดพ้นนั้นมีอยู่มากมายเหลือขนานับขอให้เลือกสักข้อหนึ่งที่ถูกกับอธยาศัยมาตรตรองให้เกิดปิติใหม่อีกครั้ง แต่ถ้าทำแล้วแก้ความม่วงเหงาเซื่งเศราไม่สำเร็จก็ลองพุโทโธบายก็ต่อไปถ้ายัางละไม่ได้ให้เธอสายสัญญาสายายรมตามที่ตนได้สดับมาแล้วได้เรียนมาแล้วโดยพิสดารข้อนี้เป็นเหตุให้เธอละความม่วงได้เอาข้อธรรมที่ตรึกแล้วเคยเกิดปิตินั้นมาอ่านออกเสียง แบบเปล่งให้ชัดถ้อยชัดคำจนเกิดความสะเทือนขึ้นที่กล่องเสียงไม่ใช่แบบสวดมนต์ภาษาบาลีแต่เป็นพูดภาษาของเราเองอันทำให้เข้าใจในธรรมที่ออกจากปากทุกคําซุ้มเสียงและความสะเทือนจากความชัดถ้อยชัดคําจะช่วยกระตุ้นจิตให้ทำงานดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอน แต่บางคนอาจจะไม่ถนัดเปล่งคำหากทำแล้วแก้ความง่วงเหงาซึมเศร้าไม่สำเร็จก็ลองพุทโธบายต่อไปถ้ายัางละไม่ได้ให้เธอแยนช่องหูทั้งสองข้างเอามือรูปตัวข้อนี้ก็จะเป็นเหตุให้เธอละวางความง่วงได้เนื้อในช่องหูเป็นจุดไวยสัมผัสจุดหนึ่ง ของร่างกายซึ่งอันนี้ทุกคนรู้ดีการสมรีทำให้สะอาดมีขายทั่วไปในปัจจุบันทำให้การแยงหรือยอนช่องหูทำได้ง่ายกว่าใช้ปลายนิ้วหรือวัตถุปลายแหลมชนิดอื่นในสมัยก่อนมากลองแยงสองข้างพร้อมกันจะได้ผลดีกว่าแยงทีละข้างจากนั้นเอามือลูบแขนขา หรือตามลำตัวเร็วเร็วแรงแรงจะช่วยให้เกิดความตื่นตัวเร็วเป็นพิเศษขอให้ทำตามลำดับดังพระพุทธเจ้าตรัสแนะนำไว้จะเห็นผลแต่ถ้าหากว่าทำแล้วแก้ความม่วงเหงาซึงเศราไม่สำเร็จก็ลองพุทโธบายต่อไป ไม่ได้ให้เธอลุกขึ้นยืนเอาน้ำล้างตาแล้วดูทิศทั้งหลายแงนดูดาวนักกัตเตรเริกข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความม่วงได้โดยมากเมื่อเกิดความม่วงคนเราจะไปล้างหน้าล้างตากันด้วยสัญชาตญาณเป็นปกติอยู่แล้วแต่พระพทุทธองค์ให้แถมแงนดูกลุ่มดวงดาวเข้าไปด้วยหากกาลังเจริญภาวนายามราตรี สูตรนี้ขณะพระพุทธองค์สอนพระโมคคัลลานนะเป็นยามค่ำคืนนิยมมีความหมายว่าหลังล้างหน้าล้างตาควรทอดสายตาไปไกลไกแล้วก็มองกว้างกว้างเพราะการเห็นกลุ่มดาวจะต้องไม่เพ่งเล็งจุดเล็กๆ เ, เ, เพียงจุดเดียวแต่เป็นการมองทีเดียวให้เห็นคลุมคุมไปขอให้เก็บตกรายละเอียดอีกประการหนึ่งคือ พระองค์ท่านให้แหงนหน้าไม่ใช่เพียงทอดสายตาทะยงขึ้นไปในองศาต่ำอุบายข้อนี้ควรที่จะเป็นที่ระมัดระวังของชาวฝรั่งขออภัยค่ะของชาวช่างฝันทั้งหลายเพราะดวงดาวเป็นของคู่กับจินตนาการอันบันจึดจึงจำเป็นอยู่เองที่เราล้างหน้าแหงนดูกลุ่มดาวด้วยสติบอกด้วยตัวเองว่า เมื่อค่อยอย่างชั่วสางง่วงแล้วจะกลับเข้าที่ภาวนาต่อนม่ฉะนั้นก็จะมีโอกาสสูงที่จะเกิดความปั่นป่นปวนสร้างวิมานอากาศไปแทนหากกำลังอยู่ในช่วงกลางวันคงพออนุโลมมองหมู่เมฆแทนถ้าแสบตาก็เบนจับที่บริเวณโลง่งพอสบายตา จิตจะเปิดกว้างตามความยาวของสายตาที่จับระยะไกลขอให้ทอดสายตานิ่งสักพักแล้วจะหายง่วงอย่างสนิทแต่ถ้าหากทำแล้วแก้ความง่วงเหงาซึมเศร้าไม่สำเร็จก็ลองพุทโธบายต่อไปถ้ายังละไม่ได้ให้เธอทำในใจถึงโลกขอพัยค่ะให้ทำใจถึงอาโลกกสัญญาตั้งความสำคัญทั้งกลางวัน ว่ากลางวันอย่างไรกลางคืนอย่างนั้นกลางคืนอย่างไรกลางวันอย่างนั้นมีจิตเปิดเผย อ, อยู่ไม่มีอะไรหุ้มหอ่อทำจิตอันแสงสว่างให้เกิดข้อนี้เป็นเหตุให้เธอละความม่วงนั้นได้ข้อนี้พระพุทธองค์ตรัสแนะให้สมมติกลางคืนว่าเป็นกลางวันซึ่งเป็นเวลามีแสงสว่าง สวายอยู่ทั่วทุกทิศการนึกสมมุติที่ค้านกับความจริงอาจจะเป็นกีฬาของจิตชนิดหนึ่งอย่าเพิ่งนึกว่าทําไมจะต้องหลอกตัวเองนี่ก็เป็นงานสมถะแก้ง่วงไม่ใช่งานวิปัสนาที่ต้องรู้ต้องเห็นตามจริงและเมื่อแก้ง่วงสําเร็จแล้วจิตมีคุณภาพขึ้นแล้วค่อยมาพิจารณาภาวนาเฉพาะหน้ากันต่อเพื่อให้ทําอุบายข้อนี้ให้ผลอย่างรวดเร็ว สำหรับผู้ที่รู้ตัวว่านั่งสมาธิแล้วง่วงเป็นประจำคราวหน้านั่งอีกก็ต้องง่วงอีกแน่ๆขอแนะนำให้เก็บตัวอย่างความหมายรู้ในแสงสว่างแบบกลางวันอันเป็นของจริงไว้ก่อนล่วงหน้าคือเมื่อแสงอาทิตย์สาดเต็มเห็นทุกอย่างกระจ่างชัดแล้วให้ลงนั่งหลับตาทอดตาไปข้างหน้าตรงๆอย่าให้เกิดการเพ่ง ทำความรู้สึกตามจริงว่าขณะนี้โลกภายนอกเป็นกลางวันเป็นเวลาตื่นเป็นเวลาทำงานของคนปกติทั่วไปมีความสว่างรอบในแบบของแสงอาทิตย์ยามเที่ยงจนเกิดสำนึกภายในสัมผัสความเป็นเวลากลางวันขึ้นมาเมื่อถึงเวลาภาวนานั่งหลับตาทำสมาธิสักพักแล้วเกิดความม่วงอย่างเคยให้ทอด ตาตรงๆสบายๆทั้งปิดเปลือกตาอยู่อย่างนั้นแล้วกําหนดเหมือนที่เคยเก็บตัวอย่างจดจำไว้ถึงความเป็นกลางวันกระทั่งจิตรู้สึกเชื่อและเห็นเหมือนว่าข้างนอกเป็นเวลากลางวันจริงๆห้ามนึกสร้างเป็นนิมิตอะไรขึ้นมาเองเอาแต่ความรู้สึกว่ารอบด้านเป็นเวลากลางวันเท่านั้นพอ ความกำหนดหมายแบบนั้นจะทำให้รู้สึกว่าภายนอกสว่างขึ้นมาเองหากนึกสร้างหรือเอาแสงสว่างมาเป็นตัวตั้งจะให้ผลผิดกันมากส่วนใหญ่ก็จะล้มเหลวมากกว่าได้ผล ้ากําหนดถูกส่วนก็จะเห็นเหมือนเกิดความสว่างขึ้นรอบข้างการทอดตาตรงไปไกลทำให้ไม่เห็นคับแคบในระยะใกล้เพียงสั้นแสงอาจจะค่อยๆเรืองขึ้นให้รักษาความรู้สึกแบบนั้นไว้อย่าเร่งให้แสงแรงปุ๊บปับ๊บอย่าถามตัวเองว่าเป็นอุปทานหรือเปล่าถ้าทำต่อเนื่องพักหนึ่งไม่ปล่อยให้จิตคิดไปทางอื่นความสว่างนั้นจะคงตัวสนิทนิ่ง หายสงสัยอย่างสิ้นเชิงเพราะแสงจะยิ่งจ้าขึ้นเรื่อยๆเหมือนใครเอาไฟแรงๆมาสองหน้าให้ดูไปเรื่อยๆอยังมีสติว่าจิตผู้รู้แสงก็อย่างหนึง่งสภาวะของแสงอีกอย่างหนึง่งจิตไม่มีสภาพที่ต้องแสบตาหรือตาเสียเหมือนจักขุ ป, ปราทดังนั้นไม่ต้องกลัวดูไปเรื่อยๆแสงจะแรงถึงไหนก็ช่างมัน เรามีหน้าที่ดูเท่านั้นถ้าทำแล้วเกิดความเครียดในกล้ามเนื้อตาขอให้ทราบว่าเป็นเพราะเพ่งเขินเกรงบังคับตัวเองให้เห็นความสว่างถ้าทำอย่างนั้นจะยิ่งเห็นแต่ความมืดเสียมากกว่าที่ถูกต้องไม่ให้ลูกในตาเข้ามามีส่วนในการเห็นหากจะมีส่วนบ้างก็ต้องให้เป็นไปนในทางที่ถูกต้อง หรือรักษาอาการทอดออกไปตรงๆสบายๆระวังอย่าให้เกิดอาการขมวดมุนคิว้วเท่านั้นอีกประการหนึ่งหลังจากเกิดความสว่างรอบแล้วขอให้สำรวจด้วยว่ากลางอกกลางใจหรือที่ตั้งของความตื่นรู้อื่นๆยังมีความแข็งหรือทึกตัวอยู่หรือเปล่าความไม่เปิดโล่งตลอดของจิตจะเป็นตัวเรียกความม่วงกลับมา วิธีคือรู้อิริยาบถนั่งแล้วกำหนดรู้ตามจริงว่ายัางมีความทึบตันตกค้างอยู่ณตำแหน่งใดบ้างเมื่อความทึบถูกรู้ลักษณะตามจริงก็จะแสดงอนิจจังคลายตัวออกอย่างรวดเร็วที่เหลือคือความโล่งหายห่วงออกมาจากแกนกลางดวงรู้ทำลายการห่อหุ้มตั้งมั่น ดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้กับในอุบายข้อนี้ว่าให้มีจิตเปิดเผยไม่มีอะไรหุ้มหอ่อเมื่อเกิดประสบการณ์ว่างโล่งออกมาจากแกนแกนใจก็อาจจะให้เป็นลูกเล่นกรรมฐานได้อีกประการหนึง่งคือสำรวจดูว่าแต่ละขณะนั้นรู้สึกเหมือนจิตยังมีเหลี่ยมมีทรงเป็นนิมิตไปต่างๆนานาหรือเปล่า หากยังมีก็รู้เฉยๆว่านั่นคืออาการที่จิตถูกหุ้มห่อด้วยการปรุงแต่งเมื่อลักษณะปรุงแต่งถูกรู้ก็จะแสดงความไม่เที่ยงเหมือนเหลี่ยมมุมหายไปตามลำดับกระทั่งเหลือแต่ภาวะไร้เหลี่ยมมุมไร้แก่นกลางเป็นธรรมชาติรู้เปิดเผย อ, อยู่เมื่อฝึกบ่อยๆก็จะมีลักษณะรู้และเปิดเผยเบาสบายคงเส้นคงวา โดยไม่ต้องเจาะจงใจควบคุมนอกจากเป็นอิสระจากการครอบงำของความง่วงแล้วยังพร้อมเอาไปใช้งานวิปัสนาทันทีคือน้อมไปดูกายเวทนาหรือจิตก็เหมือนเป็นภาวะต่างหากแยกไปเห็นชัดคล้ายน้ำกับน้ำมันเมื่อทาได้แล้วจะรู้สึกสนุกและเห็นการฝึกกรรมาฐานเป็นเรื่องง่ายขึ้น แต่ย่าเพิ่นเข้าใจว่าเห็นแสงแล้วมีความสุขแล้วคือประสบความสำเร็จแล้วเพราะว่าเป็นเพียงอุบายวิธีแก้ง่วงกระทํ่จิตให้พร้อมรู้ขอให้ตั้งความสาคัญไว้ว่าเราจะเอาความพร้อมรู้นั้นไปใช้กำหนดสติเพื่อความพ้นทุกข์อย่าหยุดอยู่แค่ที่ความติดใจแสง กับผู้ที่ทำได้ผลก็ยาก็น่าจะฝึกต่ออีกนิดหนึง่งระดับก้าวหน้าเพื่อความตื่นเพื่อความปีติและแข็งแรงพอที่จะนำมาประยุกต์กับกรรมฐานในขอบเขตของสติ ป, ปัฏฐานสี่ได้เป็นอย่างดีต่อไปในเวลาค่ำคืนให้เข้าห้องภาวนาปิดไฟมืดหมดและททำตามขั้นตอนดังนี้หนึ่งนั่งกำหนดอารมณ์สมาธิที่ถนด เช่นรู้ลมหายใจสักพักกระทั่งเกิดความนิ่งสงบพอประมาณข้อ2ในความสงบของสมาธิเล็กน้อยที่เกิดขึ้นนั้นเมื่อทอดตาไปข้างหน้าตรงๆก็จะรู้สึกว่าสว่างเล็กน้อยตามความนิ่งของจิตให้กำหนดช่วงข้างนอกเป็นเวลาเช้ามืดท้องฟ้ามีแสงสว่างรังรังข้อสารักษาความรู้สึกว่าภายนอก เป็นเช้ามืดให้ต่อเนื่องถ้าได้อย่างน้อยครึ่งนาทีจะเห็นเหมือนเวลาภายนอกเลื่อนไปเป็นยามสายแสงตะวันเริ่มสาดเต็มฟ้าแต่เมื่อเหมือนเมฆบังอยู่ทั่วไปข้อสรักษาความรู้สึกว่าภายนอกเป็นยามสายให้ต่อเนื่องให้ได้อย่างน้อยครึ่งนาทีจะเห็นเหมือนเวลาภายนอกเลื่อนเป็นเวลายามเที่ยง แสงตะวันแผดกล้าทั้งแผ่นฟ้าแผ่นดินความรู้สึกภายในจะเจิดจ้าเต็มดวงเหมือนเป็นอันเดียวกันกับอาทิตย์เที่ยนวันหากแสงแรงเต็มรอบมีความคงเส้นคงวาดีแล้วก็อาจจะนำไปประยุกต์ใช้กับกรรมฐานห้าที่กล่าวถึงในหัวข้ออุบายกำจัดกามฉันทะกล่าวคือ ทรงสติรู้แสงแรงไว้ขณะเดียวกันก็ระลึกถึงอุรยาบทปัจจุบันจะเป็นนั่งหรือนอนก็ตามเมื่อมีความรู้สึกตัวเต็มชัดพร้อมโดยไม่ลืมแสงก็จะกลับมาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังได้ด้วยความรู้สึกเห็นสว่างแจ้งเหมือนเอาไฟฉายขนาดยักษ์มาส่องตรงนี้ก็จะเป็นการใช้แสงเป็นรูปเหมือนกับที่เคยกล่าวในบทที่เจ ตงแต่ว่าอุบายในบทที่เจ็จะใช้กายเป็นตัวตั้งเคือกำหนดกายก่อนกระทั่งจิตเรืองแสงคงที่ขึ้นภายในแต่อุบายปัจจุบันเราสร้างแสงขึ้นก่อนแล้วก็น้อมมารวมกับกายซึ่งโดยทั่วไปจะมีกำลังแรงมากกว่ากันจะเห็นว่าการทำกรรมฐานนั้นแตกแผลได้หลายแบบการฝึก อาโลกสัญญาจนจำนานอาจได้ของแถมเช่นถ้าหากประคองความรู้ชัดแสงได้ทั้งลืมตาและเริ่มมีความสามารถรู้รัศมีของกายของคนและสัตว์ได้อย่างไรก็ไม่ลืมว่าเราต้องการแก่นพระพุทธศาสนาคือความพ้นทุกข์เรื่องของสมาธินั้นอยู่เพียงเปลือกแม้แต่เรื่องของยานอย่างรู้ก็เพียงกระพี แต่เมื่อฝึกอาโลกะสัญญาจริงจังก็ควรจะแก้ง่วงได้ขาดแม้เพียงกำลังสมาธิเล็กน้อยแต่ถ้าหักทำแล้วแก้ความม่วงเหงาซึมเศร้าไม่สำเร็จก็ลองพุทโธบายต่อไปถ้ายัางละไม่ได้แต่นั่นเธอพึงอธิษฐานจมกลมกำหนดหม้เดินกลับไปกลับมาสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจมีใจไม่คิดไปในภายนอก ข้อนี้ก็จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงนั้นได้ในที่นี้ก็คือใช้การเดินเป็นเครื่องปลุกความรู้สึกหลักการสำคัญที่ต้องไม่ลืมคือเก็บใจไว้ไม่ส่งออกนอกพูดง่ายๆว่าสังเกตใจตัวเองไว้ด้วยว่าไม่ฟุ้งซ่านไปในทางไหนมีความรู้อยู่กับผัสสะอันเกิดจากการเดินกลับไปกลับมาเท่านั้นอย่างอื่นไม่เอา สำหรับข้อนี้แนมะ่ผู้เดินจงกรมไม่เป็นผู้ที่จะพบว่าได้ผลขอเพียงแน่ใจว่าไม่ส่งจิตไปไหนไม่ปล่อยให้จิตเม่อลอยกระโดดไปกระโดดมาแต่แน่วแน่อยู่เฉพาะผัสสะเช่นเท้ากระทบและการย่างเท้ามีหูตาไม่ล็อกแรลกก็จะดึงจิตออกมาจากลมความม่วงได้ระดับหนึ่ง ลักษณะการเดินจมกลมที่จะทำให้จิตตื่นตัวนั้นก็ควรจะมีอัตราเร็วมากกว่าปกติเล็กน้อยเพื่อหรือว่าเมื่อเดินช้าแต่ว่าตบเท้าเส้นหน่อยเพื่อให้ผัสสะกระทบมีความสะเทือนกระดุดประสาทที่พอควรดูความสะเทือนที่ส่งมาถึงกลางอก ไปเรื่อยๆกระทั่งเกิดสติออกมาจากความรู้สึกกลางๆเปิดกว้างเป็นความเห็นพร้อมทั่วกายโดยที่มีผัสสะกระทบที่เท้าเป็นศูนย์กลางความรับรู้ความง่วงจับปรัสนาการไปจนเกลี้ยนแต่หากทาแล้วแก้ง่วงเหงาซึมเศร้าไม่สําเร็จก็ลองพุโทโธบายต่อไปถ้ายังละไม่ได้ แต่นั่นเธอพึงสำเปรดสีหะสายยาคือนอนตะแคงเบื้องขวาซ้อนเท้าเปลืองเท้ามีสติสัมปัญญาทำความหมายในอันที่จะลุกขึ้นพอตืตนแล้วพึงรีบลุกขึ้นด้วยความตั้งใจว่าเราจะไม่ประกอบความสุขในการนอนความสุขในการเอนข้างความสุขในการเคลิ้มหลับ ถึงข้อนี้อย่าเพิ่งเข้าใจว่าพระพุทธองค์ให้ยอมแพ้ความม่วงลองพิจารณาให้ดีให้ทวนทีคือท่านให้รู้สึกท่ามาแล้วรู้สึกสู้ทุกท่ามาแล้วหากว่าทดลองตามลำดับจะพบว่าแต่ละข้อล้วนยิ่งเข้าเป้าอย่างจังทั้งสิ้นถ้ายังม่วงอยู่ก็แสดงว่าไม่ไหวจริงๆที่จุดนั้น ก็ให้ถือว่าโอนอ่อนผ่อนตามความต้องการทางกายไม่จําเป็นจะต้องฝืนอย่างเปล่าประโยชน์ก่อนนอนแบบพระนั้นจะเป็นการนอนบนพื้นกระดานหรืออย่างมากก็นวมแข็งเพื่อไม่ให้ติดสบายอันเป็นเหตุแห่งโรคอยากนอนแช่อีกประการหนึ่งคือท่านบอกว่าถ้านอนที่ถูกคาักษณะคือนอนตะแคงขวา เว้นแต่ใครไม่สะดวกเพราะว่าข้อบกพร่องทางกายด้านขวานอกจากนั้นอาการอันเป็นภายในที่สำคัญที่สุดคือดำรงสติสัมปชัญญะไว้อย่าปล่อยฟุ้งเลื่อนลอยไหลลมขณะกำลังเข้าสู่ความหลับกับทั้งตั้งใจว่าจะลุกขึ้นทันทีที่รู้สึกตัวการกำหนดไว้ใจเช่นนี้เองจะทำให้เกิดอนุสติอัตโนมัติ ฝึกประจำแล้วการหลับจะไม่เป็นการหลับแบบล้มแต่เป็นการหลับเหมือนมีความรู้ตัวอยู่ในส่วนลึกเมื่อตื่นขึ้นก็จะเป็นการตื่นขึ้นที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาพร้อมกําหนดสติไปในงานต่อแตกต่างกันอย่างคนหลับไปโดยไม่คิดว่าจะตื่นแล้วทําอย่างไรฉะนั้นธรรมชาติจะบอกให้นอนแช่สักพักซึ่งก็เป็นการเสพสุขในการนอนตามกิเลสที่เรียบร้อย สร้างเชื้อของความขี้เกียจไว้ให้ปราบยากขึ้นเรื่อยๆนอกจากอุบายดังกล่าวแล้วทั้งหมดนี้พระพุทธองค์ยังปรัสถึงเหตุที่ทําให้ฟุ้งซ่านและต้องหักจากสมาธิประการต่างๆเช่นการพูดมากการคลุกกรีมหมูคณะซึ่งเมื่อห่างจากเหตุแห่งความฟุ้งซ่านย่อมไม่เหนื่อยแล้วก็เห็นจังหวะโอกาสปรีกวิเวทเพื่อความเจริญในสมาธิกําจัดความง่วงเหงาส่มนสาวเสียได้ อุบายกำจัดความฟุ้งซ่านรำคาญใจลักษณะความฟุ้งซ่านใหม่ๆเมื่อนักภาวนาพยายามรู้ภาวะฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้นในจิตตนเองมักประสบปัญหาเหมือนกันก็คือแทนที่จะเห็นความฟุ้งซ่าน กลับยิ่งเหมือนเติมฟืนกระเพือให้ฟุง้งให้พรุ่งพร่านอีกขึ้นหรือว่ามีอาการจดจ่องดูความฟุ้งนั่นเองก็กลายเป็นแรงกดให้ความคิดจับเป็นก้อนแข็งตัวอุบายการรู้ความฟุ้งให้เกิดความเห็นตามจริงก็คือหนึ่งเหมือนถามตัวเองง่ายๆว่ากำลังฟุ้งอยู่หรือไม่เมื่อตอบตัวเองได้ว่ากำลังฟุ้งให้รู้แค่นั้น ถือว่าจิตทราบว่าตัวเองฟุ้งแล้วอีกครู่หนึ่งค่อยถามตัวเองว่าขณะนี้ฟุ้งน้อยลงหรือหายฟุ้งแบบเมื่อครู่หรื อ, อยังแค่อาการเปรียบเทียบระหว่างสองภาวะที่ตา ก, กันต่างเวลากันอย่ามุ่งดูให้เห็นความไม่เที่ยงหรือลักษณะความแปรปรวนของคนของความของคลื่นความฟุ้งใดๆแล้วก็อย่าใส่ใจ ว่าตอนฟุ้งนั้นคิดเรื่องอะไรอยู่ข้อ2สังเกตที่ผลของความฟุ้งอันเกิดขึ้นที่กายเช่นเหมือนมีอาการกระจุกตัวในช่องอกหรือเหมือนตึงขมับหรือสายตาพล่ามัวจับอะไรไม่ติดตาและหูไร้กำลังที่จะรับรู้ผัสสะให้ชัดๆเช่นเดียวกับอุบายข้อแรกคือให้เปรียบเทียบระหว่างสองเวลา ว่ามีอาการคลี่คลายไปจากเก่าหรือยังและอย่าใส่ใจว่าตอนนั้นฟุ้งคิดเรื่องอะไรด้วยหัดมองขณะความฟุ้งหายไปสังเกตดูว่าอาการรู้ตรงนั้นเป็นอย่างไรประคองลักษณะรู้แบบนั้นไว้ได้ไหมคือใช่ว่าห้ามจิตบังคับใจไม่ให้ฟุ้งอีกแต่ประคองอาการว่างจากฟุ้งไว้บ้างเพื่อให้เห็นชัดว่าเมื่อเริ่มฟุ้งอย่าง ไม่อาจห้ามครั้งต่อไปมีความแตกต่างกันอย่างไรระหว่างฟุ้งกับไม่ฟุ้งและจะได้ประจักษ์ชัดขึ้นเรื่อยๆว่าความฟุ้งเป็นอาการของจิตเป็นอนัตตาควบคุมให้เกิดหรือดับไม่ได้ขณะที่ฝึกสติรู้ความแตกต่างระหว่างภาวะฟุ้งกับภาวะที่ความฟุ้งแปรตัวจางลงหรือว่าเลือนหายไปจะเป็นพื้นฐานแก้อาการผิ ด, ผด ของจิตได้เกือบครบจักรวานเพราะอาการผิดๆเช่นหลงบังคับห้ามความคิดหรือว่าหลงเพ่งเข้าไปหาที่ตั้งของจิตกลางอกนั้นก็ย่อมก่อให้เกิดอาการรวมความฟุ้งไว้เป็นก้อนโดยไม่รู้ตัวแบบเดียวกับกวาดเอาเศษผงจากพายุมาอัดรวมกองส่วนการเห็นความฟุ้งสลายไปายตามธรรมชาติโดยปราศจากความจงใจสอดมือยุ่งเกี่ยว ย่อมเหลือแต่สภาพที่โปรมงโล่งปราศจากตำแหน่งที่ตั้งแบบเดียวกับปล่อยให้เศษผมซัต์หายไปกับพายุที่ผ่านมาแล้วผ่านไปที่กล่าวมาเป็นหลักวิปัสนาเพื่อแก้ฟุ้งชั่วคราวมาดูหลักความสงบแห่งใจให้บังเกิดผลในระยะยาวบ้าง